ใจวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันลุสำเร็จด้วยการตั้งใจถ้าขาดจากการตั้งใจแล้วทำอะไรไม่สำเร็จแน่นอนเลยผ ม, ผมตั้งใจนี่หมายความว่าตั้งสติํำรวมใจก่อนจะคิดอะไร เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำจะต้องรู้ก็ตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่ะจะแล้วถึงข้อพิจารณาเรื่องนั้นนั้นถ้าใจยังไม่ตั้งแล้วก็อย่าเพิ่งพิจารณาต้องพยายามเพ่งใจให้มันแน่วแน่จะกรอ่า อันนี้เป็นวิธีรวบรัดตัดตอนของการฝึกฝนอบรมจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจทุกคนต้องเห็นความสำคัญของใจถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของใจนี่มันก็ไม่ปรารถนาที่จะฝึก ใจนี้อ่คนส่วนมากเขาตกเป็นทาสของตัณหาเหตุนั้นมันจึงไม่พอใจในการฝึกให้ใจสงบระงับถ้าใจส ง, ง, งบสงแล้วตัณหามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องระ ง, งับไปอย่างนี้นะเหตุนั้นตัณหามันจึงไม่ยอมมันจึงปั่นปิดไทเ ค, คดอย่างไร่อันนั้นอยากให้อันนี้ เรื่อยเปื่อยไปอยู่ยนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัฏฏะงสารที่ดวงกิตอันนี้นะวนเวียนไปมาอยู่นี่ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกหมดอายุสวรรค์แล้วผลลงมาเกิดในโลกนี้ มันมาสร้างความดีเข้าไปเอาไปไม่ไม่ทำความชั่วแล้วก็กลับไปสวรรอนอีกแต่ผู้ที่บารมียังไม่เต็มเนี่ยมันก็ต้องขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยไอ้ผู้ทำชั่วนี่ก็อย่างว่าเียเมื่อมันไปสวยทุกในรกในเปรตอะไรแล้วพ้นจากนั่นมาแล้ว ก็มาเป็นคนใจดำใจเศร่ามองคุณมัวแล้วก็ไปคบกับคนชั่วเข้าไปอีกก็ทำบาปทำกรรมมาอีกก็กลับไปสู่นรกของเขาออียู่อย่างนี้แหละเล่นเสียจะบุคคหนั้นนั้นพ้นจากทุกในอบัยภูมิทั้งสี่มาแล้วได้มาคบหาสมาคิของสาวนักบ่านเิชเข้าไป ท่านทักจูงให้ละความชั่วให้ทำความดีเข้าไปก็ทำความดนีไปไม่ท้ไม่ถอยทีนี้ก็จะชีวิตก็จะหนีจากวงจรแห่งความทุกข์เหล่านั้นไปได้อยู่ว้างในวันนี้เพราะฉะนั้นการครอบผาสมาคมกับบุคคลนี้จึงเชื่อว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะคนเราไม่ได้เกิดอยู่คนเดียว เกิดตาก็เกิดกับคนอยู่กับคนเมื่อได้ไปคบคนเหล่าใดเห็นใดก็เป็นเช่นกับคนนั้นดังนั้นในบุงคลควรตื่นตัวกันคนวแสวงหาคบกับคนดีไว้ในชีวิตนี้ไม่ควรไปแสวงคบกับคนชั่วคนชั่วนั้นมันก็มีหลายประเภทอยู่อ คนชั่วยอย่างหยามหยาบก็ท่องสมกันเป็นโจรเที่ยวซี้เที่ทยวต้นเอาสมบัติคนอื่นมาเลี้ยงชีวิตเป็นเรื่อความชั่วอย่างหยาบเลยอย่างานงั้นความชั่วอิดขั้นหนึ่งก็ได้แก่ความเป็นนักเลงเจ้าชูเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพานันหันต่อ แล้วเขาไปคบกับบคุคคลเหล่านั้นอือย่างนี้นะเมื่อไปคบกับบคุคคลเจ้าโชูก็เลยกลายไปคนเจ้าชู้ไปด้วยกันอืคบกับบคุคคลดื่มเหล้าเมาสุราก็เป็นคอทองแดงไปด้วยกันคบคนเล่นการพนันก็เล่นการพนันไปด้วยกัน ถ้าเป็นไปอย่างนี้แต่ะชีวิตของคนเรานะจึงว่าการคบหาสมาคมกับบุคคลนี้นะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากแต่คนส่วนมากไม่ค่อยคำนึงถึงเอาความชอบใจเป็นประมาณอีกอย่างหนึ่งเรื่องรัฐทิความนักถือหมู่นี่ก็เหมือนกันนะ ถ้าหากว่าบุคคลแสวงหาลัทธิหรือว่าที่พึ่งทางจิตใจไม่ถูกทางมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสุขพ้นทุกไปไม่ได้เพราะลัทธิท่างๆมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะแม้ในประเทศไทยนี้ก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้นะัเป็นปอย่างนั้นไตคนไทยเราในบางพวก่างเหล่าก็หลงไหล ไปตามลัทธิต่างๆที่เขาโฆษณาชวนเชื่อใหม่ๆพวกชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเผยแผ่เช่นลัทธิยูเรกกำลังเฟื่องหรือทุกวันนี่อยู่ที่นครสีมาแห่งหนึ่งมาแสดงธรรมที่วัดคุณเพชรเงาเกาะนะ อในคืนนั้นเขาก็ชมนุมกันเหมือนกันเพราะบ้านมันติดกันนะรถวัด ต, ตั้งห้าหกคันนะู้นจอดเรียงกันอยู่ตามกำแพงบ้านนะ่ะต้องม า, มาจากอุบลราชธานีน่นนูนคนอุบล น, นะเป็นเมืองของนักปราชญ์ตั้งแต่ร้อยร้อยปีคืนหลังไปนะนะั่นแหอคนโบราณพระ แต่ครั้งนั่นนะชอบเรียนสนเรียนมูลกันฉะนั้นผู้ใดปรารถนาอยากจะมีความรู้ในศาสนาก่้งขวางแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้าก็เดินทางไปสู่อุบลแหละไปขอเรียนสนเรียนมูลกับพระผู้แตกสารในมูลในสนแต่ว่างอง อ, อยู่ในพระาจรไม่ได้ ก็ศึกออกไปศึกออกไปแล้วก็ยังไปเป็นอาจารย์สอนสอนสอนมูลให้พระให้เน้นอยู่ก็มีอย่างเงี้ยมีผู้เล่าเล่าให้ฟังมาท่านต่อมานี่ก็เจ้าคุณอุบารีคุณนูปม า, าจานเนี่ยลงไปศึกษาเราเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วพระเจ้าอยู่หวัวก็ส่งให้มาเผยแพ่ ในด้านการปริยัติปฏิบัติที่โอฬารสถานีเพงได้เรียนจากเรียนสนเรียนมูลมาเป็นเรียนเรียกว่าบาลีหรือวายากนแล้วก็ให้เป็นเรียกว่ามหาป ร, ริยนประโยคน์สามประโยคต์ีไปถึงประโยคน์เข้านู่น เือว่าเรียนจบถ้าไกลผิดดกแค่ได้จริงแค่ก็ไม่จบหรอกเพื่อนก่อนเอาตั้งแต่เรื่องสำคัญสาคัญไปพิมพ์ลงไว้ให้คุณระบบศึกษาเราเรียนถ้าจะเอาทั้งหมดนั้นมาสอนกันน่ะนักเรียนเห็นจะสู้ไม่ได้ เกจิอาจารย์ท่านพินาเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้ย่อเอาแต่เนื้อความที่สำคัญที่ันมาพิมพ์ลงใส่หนังสือไว้เป็นเล่มๆไว้แล้วประชาชนภายหลังมานี่เข้าใจว่าคงจะไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอน พระที่บวกเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยอะไรอันนี้คนทั้งหลายก็นับถือพุทธศาสนานับถือเป็นพอเป็นธรรมเนียมอ่าวันเข้าพรรษาก็ไปวัดสักทีนึงไปตักบาทออกพรรษาไปวัดสักทีนึงหรือวันเข้าประดับนินวันเข้าสันหลกักภพก็ไปทําบุญ ตักบาทอุทิตส่วนกุศลให้ผู้วายชนไปสักครั้งหนึ่งไอ้เท่านี้แล้วก็กถือว่าตนได้ทําบุญแล้วเขาไม่มีการฟังทำอะไรต่ออะไรกันเลยถ้ามีการฟังทำก็คงเอาตำรามาอ่านสู่กันฟังคนแต่คราวนั้นฟังเพื่อเอาบุญเฉยๆไม่ได้ฟังเพื่อเอาความรู้อเหตุนั้นมันถึงไม่มีความรู้ความฉลาด ในทำคําสอนของพระเจ้าจึงไม่ได้รู้ลึกซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างแก่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองดังนั้นจึงเมื่อมีใครโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปว่ารัฐที่นั่นดีนะลัฐที่ดีนี่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อนสามารถบรรดาลให้ได้อะไรส่ออะไรตามประสงค์ ก็เลยเชื่ออย่างนี้นะเออวันหนาสังเวชคนชาวอุบลนะเชื่อสายนักปราชญ์แท้ๆทำไมจึงมันหลงไหลรันนั้นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งคนโคนราชแล้วเนี่ยมันถลําเข้าไปเก่าเขาอ่ะแต่ว่าเขาจะมีปัญญาหรือวัฒนาอยู่ว่างเหมือนกันนะเมื่อเขาเข้าไป รับการอบรมอยู่ที่นั่นนะเขามาสังเกตไอ้ความรู้ที่เขาสอนคนหมู่นั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไร่ะฟังฟังไปแล้วเหลวไห ล, ห ล, ห ล, ห ล, หลไปให้นับถืออะไรต่ออะไรไปซึ่งไอ้เขาสอนในนับถือผู้เป็นเจ้าของลทัทธิโยเลอะไรหมูน่นี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะ เออรับถือคนที่มาเป็นผู้อํานวยการอยู่ในนั้นเขาก็เป็นคนต่างประเทศนะเขาก็ไม่รู้ภาษาเขาเอาคนไทยนี่แหละเป็นตัวแทนพูดโน้มน้าวจิตใจของคนผู้ฟังอย่างนี้นะแคผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นนะเขาเล่าให้ฟังแล้ว เขาก็บอกว่าไม่มีสาระแขนสันอะไรนี่สันยังได้ถอนตัวออกมานี่ออกมาพี่สุดเลดทีจ่จะบอคนไทยระวางพวกหลปัญญาไม่ได้จริงๆพุทธศาสนาเป็นของเลิอดคล้องประเสริฐ จ, จริงๆนะทำไมจึงว่าไม่สามารถรู้ความลึกซึ่งของพระพุทธศาสนาเลยน่าสังเวชสรดใจจริงๆในวันนี้นะ ตนจริงมันควรจะรู้ว่าในยุคหนึ่งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกเพีองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้มีหลายองค์เลยนี่คนทั้งหลายคนที่หลงไหลยอย่างว่านี้ไม่ได้สำคัญความที่ว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ะอาสวะกิเลสให้สิ้นไปแล้ว ท่านผู้นั้นเป็นผู้ปเปิดในโลกเขาไม่ได้รับรู้อันนี้เลยส่วนมากคนตกหรือใต้อำนาจแห่งตันหาอาวิชชาเมื่อได้ยินเสียงโฆษณาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถที่จะช่วยให้ร่ำให้รวยได้ให้อยู่เย็นเป็นถุกได้อะไรอย่างนี้ เก็บไข้ได้ป่วยกว็าสามารถช่วยเหลือให้หายโรคไห้ภัยได้มื่อเท่านี้แหละแล้วก็หลงเชื่อไปเลยลังหลไปหาเข า, า, ขาให้เขาช่วยทำพิธีปกเสกให้ตนมีความสุขความจเจริญทั้งที่เขาเรียกเก็บเงินคนละพันห้าร้อยบาทก็ยังไปยอมเสียเงินเนะผู้หญิงคนนั้นเนี่เล่าให้ฟัง อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าแม้นคนไทยเรานี่นับถือพุทธศาสนานับเือแต่เปลือกแต่กระพี้เฉยๆไม่ได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาเลยอืมนี่ถ้าผู้ใดเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ผู้นั้นไม่มีทางที่จะไปหลงไหลไปในะที่อื่นใดทั้งหมดไม่มีแล้วอืมเพราะว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงละความโลภความโกรธความหลงได้หมดสินออสดด้นแล้วพระ อ, องค์กระต่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ละได้จริงๆเพราะว่าราชสมบัติอันมโหฬารที่พระ อ, องค์จะได้เป็นเจ้าจากักรพรรดิราชครอบครองทวีปทั้งสี่นี้นะั้นยังอีกเจ็ดวันเท่านั้นเองนถึงสมบัติจกักรพรรดจะเกิดแก่พระ อ, องค์พระองค์เสด็จหนีออกไปบวชซะก่อนเลย ไม่ยอมรับเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชอันนี้นี่แต่เป็นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงมาณทิฐิกิเลสน้อยใหญ่ให้หมดขึ้นไปได้จริงจริงนี่ถ้าผู้ใดไม่จับหลักอันนี้เป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็จะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอืมเลื่อมมาไนงะ จะเลยมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนธรรมดานี่เองมันก็รู้สึกไปอย่างนั้นไะคนที่ไม่ลึกซึ้งนะเป็นอย่งนั้นมันนี้ความเป็นผู้เห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วจึงได้มาพิจารณาว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายแหละมันย่อมเกิดจากกิเลสเมื่อกิตใจยังยึดถือกิเลสจะอยู่ตราบใดสราบสมกิเลสอยู่ตราบได ความทุกข์มันก็ติดตามอยู่สรับนั้นออย่างนี้นะมาพิจารณาถึงต้นตอของความทุกข์อย่างนี้ได้แล้วก็จะได้มองเห็นว่าโอ้เพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ดับทุกข์ได้จริงๆเลยเพระพระ อ, อ, องค์ดับกิเลสเหล่านี้ได้จริงถ้าพระองค์ดับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้พระ อ, องค์จะไม่ได้สเสด็จออกบวชจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยก็จะต้องบริโภคกรรมคุณอยู่ในพระราชวังกรุงกัมพิลพัท ละครครั้งนั้นเน่ยออันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองจริงๆเน่พระองค์เป็นพระุทธเจ้ามาแล้วเออ่มีคนถวายทายทานต่างๆนานานะมากมายกายของพระองค์ก็ไม่ได้สะสมอะไรเลยเมีแต่แจกให้พระเนรไปพระองค์ไม่มีอะไระมีแต่บริฐานแปด สำหรับสมัยข้างนั้นเน่ะเครื่องใช้ไม้สอยอันพิเศษพิเศษอย่างสมัยนี้มันไม่มีวะนี้อไม่มีเลยแะ่ น, นั้นก็ว่าอย่างมีไอ้เครื่องใช้ในวัดในวานเป็นโอ่งน้ํำเป็นมีดผ้าเสียมขวนอะไรก็เป็นเพียงแค่นั้นแหละสำหรับสมัยทุกวันนี้เน่ะเครื่องใช้ มันเกิดจากวิทยาศาสตร์เนี่นมันมากมายเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่มากมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพึ่งพากันตังอนระวังเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยอย่าให้อย่าไปหลงเครื่องล่อต่างๆในปัจจุบันนี้ออย่าไปหลงเครื่องล่อก็เคยเตือนแล้วนะวิทยุนี่ไม่ควรเอามาไว้ส่งกลับไปไว้บ้านไว้ช่องเสีย อถ้าไปเล่นวิทยุยงั้นมันก็ไม่มีเวลาได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรเลยจิตใจก็ยิ่งเพลินยิ่งเมาเพราะว่าส่วนมากมันก็เปิดฟังแต่เพลงนั่นแหละวิทยุอย่ะเป็นเช่นั้นดันั้นเราบัวเข้ามาก็หวังว่าจะชำระ ก, กิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไปอย่างเมื่อเมื่อไปทําอย่างนั้นมันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นพิคิดให้มันเห็นนะอืม แล้วอันเรื่องกิเลสนี่ยนะ่ะเราสะสมมานับชาตินับภพบไม่ทวนแล้วเป็นทุกข์กับกิเลสนี่มานานแสนนานทีเดียวแถมนึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกอไปตกนรกก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ร่วงแล้วมาเนื่องจากไปคบคนชั่วแล้วไปทําชั่วกับเขาลงไปอย่างนี้นะอ่ตายแล้วก็ไปไหมในนรกอบาลยภพแต่ว่า มันก็ไม่ไม่ได้ทำชั่วนั่นทุกอย่างตลอดชีวิตหรอกความดีก็ทำาหมืนนี้นะ่นั้นเนี่ยพอพ้นจากนั้นนกอาบายภูมาแล้วก็จึงว่าบุญกุศลที่ทำานการนํำมาให้เกิดเป็นคนอีกมาเกิดเป็นคนบุญกุศลตกแต่งให้มาพบกับรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจในโลกแล้ว ก็มันหลงอีกอย่างนี้นะบางคนบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปสวยรูปงามแล้วพยิงหลงรูปตัวเองมานี้นะโอ้ตัวเองมันสวยงามแล้วคนอื่นก็สรรเสริญเยินยอให้ด้วยกว่านี้พยิงเพิดเพลินยิงนนนย่งตุ่ม อ, อกปึ่มใจกับรูปกายอันนี้เออเลยมีแต่ปะแแต่งตัวมีแต่หาเครื่องประดับประดาอะไร กลัวแต่คนจะไม่สนเสนินว่าตัวสวยงามโอ้หน้าโทเลต จ, จริงๆไงวะนี่เนะีความหลงอ่ะนี่เขาเรียกว่าหลงบุญหลงกุศลหลงผลอนบุญที่ตนได้ทำมาแล้วผ่อนบุญนั้นมันมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ให้ได้สัดได้ส่วนให้มีผิวพรรณวันลนะพุทธ่องเท่านี้แล้วก็เลยสำคัญว่าตนสวยตนงาม เราไม่ได้นึกเลยว่าตนได้รูปร่างอันนี้มานี่เราได้มาด้วยอะไรไม่ได้คิดไม่ได้คำเ น, นืนวนวลเลยถ้ามันคิดจะบ้างในฐานะเรานั้นถือบริสัทธนัดแล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋อได้มาด้วยบุญพระพุทธเจ้าทรงสัตวาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นนี่ตนคงได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อน จริงด้รูปร่างอันได้สัดได้ส่วนสวยงามอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้บุญกุศลตกแต่งให้มันก็ไม่ยั่งยืนมันหมดเป็นพอหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องตายตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายอันนี้นะดังนั้นเราจะต้องทําบุญใหม่สืบต่อไว้เราจะอาศัยร่างกายอันนี้แหละสั่งสมบุญกุศลไปให้เต็มความสามารถอ่า ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญบุญกุศลไปในเมื่อโอกาสอำนวยให้การงานการทำมาหาเรี่ยงก็หาเรี่ยงชีวิรก็ทำไปแล้วการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปมันไม่เห็นขัดข้องกันอะไรเลยบางคนก็วาอามัวเมาแต่ทำการท ำ, ทำงานเลย ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าอย่างนี้เลยมีอยู่ทั้งไปอันพูดอย่างนี้นะผู้ที่พูดอย่างนั้นเรียกว่าความเข้าใจมันยังตื้นไปยังไม่รอบครอบนะอย่างนั้นความจริงเลการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะไปอ้างการอ้างเวลาพระพุทธองค์ว่าอาการลิโกไม่ควรอ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเนี่ย ถ้าทำอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเของตัวเองไงี่ยนะรูปทำนามทำนะนี่จะไม่ไม่เป็นธรรมยังไงจะไม่ว่าทำอยู่ในตัวไงอะรูปทำนามทำวันนี้ดวงจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในรูปทำนามทำนี่มันก็หลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงยึดถือว่าเราสวยเรางาม ลงยึดถือว่าเราขี่ร้ายขี่เลอผู้ใดรู้สึกตัวว่าตัวขี้ร้ายขี่เละก็เสียใจอ่าจิตใจก็วุ่นวายไปอะไรไปอย่างนี้นะนั่นแหละความเป็นผู้ยึดถือยึดถือความสมมุติของโลกอืมถ้าเป็นผู้ไม่ยึดถือสมมุติของโลกแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนและก็ไม่ต้องพึ่งใจกับความสวยงาม ทั้งรูปร่างที่สวยงามและรูปร่างที่ขี้ร้ายขี้เล่ก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรโวลแตกตับทําลายไปเหมือนกันนะไม่แตกต่างอะไรกันเลยอย่างนี้นะถ้าหัวนวพิจารณาถึงความจริงของรูปธทำนามธรรมอย่างนี้แล้วไอความยินดียินร้ายในรูปทำนามธรรมเหล่า น, นี้มันกำลังงับไปอะ แต่อย่างนั้นมันกำลังงับไปแล้วจิตใจก็เป็นกลางอจิตใจเป็นกลางแล้วก็มีสติประคับประคองความรู้สึกอันเป็นกลางอันนั้นไว้มันก็เป็นสุขสบายสิประเดี้ยนอัอนมันก็เป็นอิสระเสรีอยู่ในตัวเลยจนไม่ต้องตกเป็นธาตแห่งความรักความชังความหลงความเมา คนไม่ต้องเป็นทุกข์กับความรักความชังความหลงความเมาเช่นนั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความเมาในโรคทำนามธรรมเหล่านี้ลงได้แล้วก็จะมองเห็นจิตใจของตวนี้ว่ารกอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยามบาตราสังนานาหมู่นี่นะ โอตจนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะตนสะสมกิเลสนี่ไว้ในใจกิเลสนี่แหละเผาชนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ได้อย่างนี้มันก็หันหน้าเข้าถูวัดศาสานาเพราะวัดมันเป็นสถานที่ฝึกพ้นอารมจิตตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดทําจิตใจให้เป็นไปตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลมันก็ย่อมเบาบางลง เอมายควาว่าเมื่อใจหนักไปในทางทำที่เป็นกุศลแล้วกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไปไม่ได้อ่มันเป็นอย่างนั้นเดิมมันไม่ใช่ว่าไอ้เมื่อมีกิเลสมาแล้วจะไม่มีความสามารถละกิเลสนั่นได้เลยแล้วเรายอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะขอให้เข้าใจอ่ะอืมกิเลสตัณหานี่มันก็เป็นธรรมารมณ์ เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เมื่อเมื่อรู้ความจริงของกิเลสอย่างว่า น, นี้แล้วก็จะไปกลัวกิเลสทําไมลังหนาแล้วมาฝึ ก, กจิตใจนี่สะบังคับใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้ไม่ให้สร้างกิเลสต่างๆเหล่านั้นใ ห, ให้เกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดไม่ได้เลยให้คอยเข้าใจ ก็มันอยู่ที่ใจดวงเดียวเท่านี้นะเมื่อใจดวงนี้ไม่สร้างอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีได้ยังไงอ่ะนะมีไม่ได้เลยเรื่องนี้นะผู้ใดไม่ภาวนาไม่รู้หรอกผู้ใดภาวนาโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็จะเห็นได้เห็นเหตุผลห้องกิเลสด่ากล่าวมาแล้วนี่แหละเห็นได้อืมขอเห็นได้อย่างนั้นนะมันกร ควบคุมจิตตัวเองตลอดไปสิกว่านี้นะเพราะว่าเห็นโทษของกิเลสมาแล้วนี้อา้ากิเลสมันทําให้ตนเป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่ชาติเดียวเท่านี้ที่ลู้อกมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนตนก็เป็นทุกข์กับกิเลสนี่มาพอแรงไอ้อย่างนี้แล้วทําไหมเราเมื่อมาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้รู้จักหนทางอยู่แล้วทําไมจึงจะมา ย, ยอมตอนให้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอาวิชชาอยู่อย่างนี้อืม พราะกันแค่แกล้สิปา น, นี้นะถ้าใครทําใจให้แน่วแน่ลงไปอย่างว่าไอคนที่รู้ไม่ได้นั่นเพราะอะไรวะเออเพราะมันไม่ทําใจเลยเนี่ยไม่ได้ฝึกใจเมตแต่น้อยเดียวอะปล่อยใจให้เพลินให้เมาไปตามกระแสของโลกอย่างินทั้งกลางวันกลางคืนเอกลางคืนมาแทนที่จะเสแสร้งหาความสงบทางด้านจิตใจ เพราะว่ากลางคืนมาแล้วส่วนมากคนก็หยุดทำการทำงานหยุดอะไรต่ออะไรไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะแสวงหาความสงบทางจิตใจได้อยถ้าหากว่าผู้เห็นคุณแห่งความสงบเห็นโทษแห่งความไม่สงบคือกิเลสตัณหามันทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทุกโทมนัตต่างๆนั้นนะถ้าเห็นโทษของกิเลสต่างว่านี้แล้วนะ พระพุทธเจ้ากันเนี่อุปายวิธีกาจัดกิเลสแล้วไม่ใช่ว่ากาจัดไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไปนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อยู่เฉพาะหน้าตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้รอบตัวอยู่อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นพี่พึ่งนที่ระลึกของตนอธิษฐานใจถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาก็ขอให้บุญคุณเหล่านี้บังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้แหละขอให้ใจข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในบุญในคุณอย่าให้วันนี้ไปทางอื่นเมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้บุญคุณบังเกิดขึ้นในใจแล้ว ใจมันก็ไม่ค่อยพุ่งส้านเลือนลอยไปทางอื่นนะมันก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็มีสติประคองจิตคือความรู้สึก น, นั้นให้แน่วแน่ยอยู่ไปสัก่อนไอ้คนไม่มีบุญมีคุณไปนด้พึ่งทางกายหรอกไม่มีทางหารอกใจนี้จะสงบอยู่ได้นะเพราะว่าไม่จิตไม่มีบุญคุณไปได้พึ่งนี่กิเลสมันมีอํานาจครอบงําได้ กิเลสมันปัน่นจิตให้คิดทุ่งสั้นอยากได้อะไรต่ออะไรไปไม่มีจุดหมายปลายทางได้ตามประสงค์เลยผมเบ่งงานเรื่องมานะเพราะฉนั้นทุกคนต้องให้เชื่อมั่นในคุณรัตน์นาคราเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนได้ทํามาเช่นตนได้ให้ทานมานี่ทานรวบรวมเป็นตัวเงินไว้แล้วก็คงเป็นหมื่นๆขึ้นไปนหละแต่ละคนละคนนะเป็นหมื่นไปเป็นแสนไปเป็นล้านไปก็มีนะ่ะคนผู้มีสตางค์มากๆ โดนมากนะเมื่อตอนทําบุญ่ากๆนี่แล้วไม่ได้น้อมนึกถึงบุญถึงคุณนะคนผู้หลงภู้เมาอ่ะทําทไปแล้วก็เลี้ยวไปนึ ก, กว่าทําบุญแล้วได้บุญแล้วอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวไปเลยจิตใจก็ปล่อยเพลินไปตามสังคมต่างๆาสังคมดื่มเหล้าสังคมเล่นการพ น, น, านันอผู้ผู้ร่ํารวยเล่นการพ น, น, นันนี่มันลงเงินกันเป็นล้านๆเป็นแสนๆนู่น เนี่ยเพลินไปอย่างนั้นแหละแล้วอย่างนี้นะจะให้บุญคุณมาช่วยได้ยังไงอ่ะตนไม่มั่นใจไม่เรื่อมใสไม่มั่นใจในบุญในคุณนั้นอย่างนี้นะถ้ามั่นใจจริงๆมันก็ต้องจิตใจมันก็จดจ่ออยู่ในคุณในบุญกุศลน่ะสินั่นนะก็จะไม่ปล่อยใจให้เพลินไปตามความสุขของโลกโดยส่วนเดียว ก็ความสุขของโลกนะั้นมันสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะเท่ากับช้างพับหูรูงูแอบลิ้นเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปอย่างนี้คนยังมองไม่เห็นเลยเขาปล่อยให้จิตหลงเมาไปเต็มที่สายเหตุที่จะมองไม่เห็นนะอืผู้ใดไม่หลงไม่เมาเกินไปไปเข้าวัดได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างก็ตื่นตัวได้แล้ววันนี้ เมื่อตื่นตัวได้ก็จึงเริ่มฝึกจิตใจไปเมื่อฝึกจิตใจเข้าไปไปถูกทางแล้วในเบื้องต้นนี่มันก็ต้องได้ลงทุนลงแรงมากอยู่พอได้เหมือนกันเละเพราะว่าตนได้สะสมกิเลสตัณหามนหานาแน่นพอแรงแล้วไปนั่งภาวนาหน่อยเดียวเราจะให้ใจมันสงบลงไปเลยอย่างนี้จะได้ยังไงเล่ามันไม่ได้หรอกดังนั้นเนียผู้เริ่มฝึกขัดภาวนานี่ มันต้องตั้งความอดความทนลงไปตั้งความเพียรลงไปเอาวันนี้นั่งภาวนาได้ห้านาทีสิบนาทีก็เอาไปก่อนอาวันต่อไปก็นั่งพยายามนั่งให้นานไปกว่านั้นอย่างงี้นะออดทนอดกั้นต่อกำหนจของกิเลสมันปั่นจิตให้คิดพุ่งท่านเลื่อนลอยไปต่งตางๆ น, น, นะนะไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตใจไว้ภายใน ห้ามความรู้สึกอันนั้นแหละยังสติความระลึกไปหาความรู้สึกอันนั้นให้ได้แล้วก็สติก็คุมความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็หยุดคิดลงได้ถ้าหากว่าจิตมันมีกำลังนะมีบุญคุณเป็นกำลังแล้วมันก็เข้มแข็งกับสติก็เข้มแข็งไปตามกันสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้ข้ อ, อ, อนี้นะ ก็จรึงว่าเตือนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้เริ่มทำมาใหม่ก็ตาทมทำเ ก, าวกว่าก็ตามเมื่อหากความยังละกิเลสไม่ไม่หมดอย่างนี้นะมันมารบ ก, กวนอยู่เหมือนกันนลยผู้ปฏิบัติมานานแล้วกว็ตามนะมันก็มารบ ก, กวนอยู่ได้เหมือนกันเนละมันเป็นเช่นนั้นอย่าไปเข้าใจว่าอืตอนปฏิบัติมานานแล้วกิเลสเหล่านี้มันมันไม่มารบ ก, กวนหรอกแล้วเพลินเถอะ นิ่งนอนใจเสียอย่างนี้ไม่ทำความเพียรให้สม่าเสมออย่างนี้หน่อยหนึ่งกิเลสเหล่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาครอบงามจิตใจอีกเอาจิตใจก็เดือดน้อนขึ้นไปอีกบัด น, นี้ก็มานึกทบทวนดูตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนนั้นเราไม่เป็นอย่างนี้เราสบายใจมาโดยลำดับมาบัดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เฉลยว่าเรานี่มีบุญน้อยแล้วกัมั้ง บุญเราไม่ถึงแล้วก็มึงทำ ม, มาจนแทบล้มปะดาตายมาแบันี้ก็มาจิตใจก็มาล้มละลายลงอย่างนี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้คิดอย่างนี้นเราก็ทอใจไม่ปรารถนาจะทำความเพียรต่อไปอีกอย่างนี้นั่นเรียบว่าเป็นความคิดผิดเห็นผิดเห็นผิดยังไงเห็นผิดนะเพราะว่าอุทุชนคนยังมีกิเลสอยู่เนี่ย มันมีความประหมาดได้มันเผลอสติได้เมื่อทาําความดีไปทําไปนําไปมันเกิดหลงเมาไปเ อ, อตามสังคมก็มีบางทีไม่ได้สังคมกับคนแต่แต่แตนเองก็หลงกับเมาไปเองก็มีอย่างงี้นะอย่างนี้นะ่นะมันถึงได้เกิดความวุ่นวายพุ่งซ่านขึ้นมาแล้วเกิดความท้อใจ ไม่ต้องท้อใจอเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ต้องระลึกว่าเออเรานี่ประมาทเผลอตัวไปมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าตนยังรากกิเลสยังถอนรากของกิเลสไม่หมดแล้วจะไม่ให้กิเลสเหล่า น, นั้นมันลุกขึ้นมาเล่นงานยังไงเวลาเราเผลอวันนี้เรารู้ตัวแล้ววันนี้เราจะไม่ถอยเราจะสู้เอเราจะอดทนอดกัน้นต่อทุกขเวทนาต่างๆ ที่กิเลสมันรบกวนเอาเพราะกิเลสก็จิตี่แหละสร้างขึ้นมาเราจะไม่สร้างกิเลสเหล่านี้ต่อไปอีกเราจะหยุดคิดหยุดนึกปรุงแต่งใช้อุบายเด็ดเตี่ยวกับตัวเองอย่างนี้นะไปนะเมื่อชนนี้เราก็ตั้งสติแ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้ให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบัน แล้ววันนี้เมื่อควบคุมจิตได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากิเลสต่งางๆนันะนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมนมิมมเป็นอารมณ์เฉยไม่ใช่มีตัวมีตน ม, ม, มีแกน่นมีสารอะไรเลยเมื่อจิตตั้งมัน่นแล้วมันก็มองเห็นอย่างนี้แลนววันนี้เมื่อมองเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่กลัวกิเลสแล้ว ว, วันนะี้นะอ๋อกิเลสเป็นแค่เพียงอารมณ์ของจิตเท่านี้นะ เมื่อจิตไปคิดไปปรุงแตงขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอะไรอ่ะรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ควบคุมจิตต่อไปเมื่อควบคุมจิตได้แล้วพี่เลยครอบงำจิตไม่ได้จิตก็สบายแบบนี้นะก็เป็นอิสระคืนมาอีกอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาความสงบอันนั้นไว้ให้ได้แล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับเป็นธรรมดากิเลสก็ดีออธรรมะอันเป็นฝ่ายบุญกุศลก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ถ้าหากว่าไม่รักษานะให้เข้าใจอย่างนั้นบัดนี้เราจะไม่รักษากิเลสแล้วปล่อยให้มันดับไปสอกเราจะรักษาบุญคุณนี้ไว้เราจะรักษาความรู้ความฉลาดในจิตใจนี้จะหมั่นคิดหมั่นพิจารณา เหตุผลของเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปทุกเหตุการณ์อย่าไปหนีหลักนี้เลยออ้อาวผู้สิ่งไม่เคยไม่ดับคืออะไรคือความรู้แจ้งอต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันดับไปแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้แจ้งความรู้จริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น มีสติกำหนดรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงไว้อยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปมเมื่อได้โอกาสก็เอาพิจารณาอีกพิจารณาทบทวนเรื่องใดที่จิตยังวันๆกับเรื่องนั้นๆอยู่อย่างนี้นะก็กำหนดที่นาเรื่องนั้นให้มันชัดเจนขึ้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งนั้นๆอ่ ตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปเมื่อมันเห็นชัดโดยปัญญานั้นจิตใจมันก็คลายความยึดถือมันเป็นอย่างนั้นคอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นครั้งเดียวแล้วมันจะละเอาไปเลยจิตใจมันจะปล่อยวางได้ขาดไปเลยห่ามีได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่ายัางละยังถอนรากของพิเลศไม่ได้ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นเราจะให้มัน จะไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปอย่างนี้จะไปได้ยังไงอ่ะให้เข้าใจก็ต้องพิจารณาอีกพิจารณาแล้แลวอีกพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้นพิจารณาอยู่จนรู้แจ้งไปเรื่อยๆไปแล้วกิเลสมันจะค่อยหมดไปเบาไปเบาไปในตัวของมันเพราะว่าจิตใจไม่ส่งเสริมจิตใจนั่นเห็น เมื่อมันเผลอเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาแล้วก็เห็นเพียงว่ามันเป็นธรมรมอารมณ์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเมื่อจิตไป่ยึดถือแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรนะอย่างนี้แหละถ้าจิตยึดถือแล้วมันจึงมีความหมายขึ้นมาอ่านี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเราบําเพ็ญไปเกิดความรู้ความฉลาดเข้าใจได้อย่างไรแล้ว ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้อย่าให้มันเติมความรู้ความเห็นอันนั้นถึงรู้จริงเห็นจริงก็จริงอยู่แต่ว่ามันยังไม่ทันบรรลุหมายความว่าอย่างนั้นเป็นแต่รู้เฉยๆความรู้กับความบรรลุมันคนลเลื่องกันนะความรู้นี่นะว่ามันเป็นบันไดขั้นต้นสำหรับที่จะก้าวไปสู่ความบรรลุหมายความว่าอย่างนั้น เมื่อบำเพ็ญบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้มันเขีมแจ้งขึ้นไปเลยไปโดยลําดับไปนี่ท่านเรียกว่าบำเพ็ญมัตพระสมคีให้เกิดขึ้นในดวงจิตอสินก็มารวมลงที่จิตคือความรู้อันเดียวนี้สมาธิก็มารวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้ปัญญาก็มารวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้อย่างนี้นะ นี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเพ่งอยู่ที่จิตคือความรู้อันเดียวเท่านี้ ส, น ส, น ส, สินสมาธิปัญญาก็รวมอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี้นี่แหละเมื่อทําสินสมาธิปัญญานี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับแล้วนะมันมีกําลังเต็มที่แล้วอย่างนี้มันจึงถอนละของกิเลสนั้นถาดออกไปจากจิตใจ จิตใจจึงรวมลงอีกพักหนึ่งแล้วก็รู้ขึ้นมาแบบ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นอะุปปะธรรมโมแล้วแบบ น, นี้เป็นธรรมมันไม่กำเริบแล้วเมื่อเกิดความรู้ขึ้นแบบ น, นี้แล้วนะเน้นเรียกว่าบรรลุแบบ น, นี้นะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจกันดังนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาท พยายาาบำเพ็ญไปก็ออจะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์ภายในปรตตาสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้